ลังทำเงินต่ออยู่้วนะจากที่เราได้สัยายาสูตรส่วนมนต์ธรรมดตอนเช้านั่นกับซักล่างจิตปัญญาของเราเพื่อจ ะ, จะได้รับลู้ลดพระธรรมเหมือนเราซักเสื้อผ้า จะได้ยอมจะได้ติดเป็นสีเป็นความต้องการได้ฟังดีๆทล้วใจดีๆความทั้งทําไปทางกายเกิดความพร้อมขึ้นมาเหมือนนกลบผู้ที่จะตาบข่าสึกตั้ง อาวุธกำลองคนดีๆเตรียมพร้อมดีๆเพื่อจะสู้กับข้าศึกจะได้พร้อมทันทีเมื่อมีความพร้อมก็จะมีความสะดวกวิงชัยชนะได้ถ้าจะเกิดตาก็ ทิ้งๆคว่งวงๆไม่เตรียมพร้อมก็ทำอะไรก็ไม่สำเร็จการลองพนต้องพร้อมลิ่งเราฝึกกำนองพน ม, มาได้พอสมควรตั้งค่ายเอาไว้ตั้งใช้พูมมาไว้ได้ใช้พรมยึดใช้พรมมาไว้ สติบฏฐานเป็นป้อมปาการป้องอาวุธข้าต้องกำลังคนไว้คือสติข้าศึกงายิงแม่นลู่ศึกตัวความหลงเกิดขึ้นมาข้าศึกมันมาคือความหลงกำลังคนคือความลู่จึกตัวลู่ึกตัวหรือข้าศึก ลอยแพร่ทุกทลั่งทุบคล่าวออะไรก็เกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่ความรู้จึกตัวไปเกิดความรู้สึกตัวนี่เรียว่ากําลังคนอันเดียวป๋าผ้าจิกได้หมื่นได้แสนเรื่องจิริศพันเฮอรันหัวร้อยแปดมาลูกใดแบบใดมันสะดวกจริงๆทําได้จริงๆเรื่องนี้ถ้าไม่ ถ้ามันทำามาได้พระพุทธเจ้าไม่กระตื้นลุ่นมาบอก่าสอนตออสูใ้ใหม่แล้วมันทำได้อย่างนี้คิดทางที่จะสอนให้สอนให้ ถ, ถึงเป็นจาวิจีรีบเดินจากพทุทธขยาไปพรลราณสีนี่ประมาณสามวันหมอ ต้องใจจะไปสอนแล้วนี่บอกตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ลราง่ายด้วยสะดวกด้วยถ้าทมถูกเรามีสิ่ภูมิที่ดีป้อมปราการที่ดีมีกำลังผลที่ดีรบแพ้ยไม่มีถ้ามี กันเราคนดีพ้องเราฝึกมีสติไปในกายเป็นประจําถึงที่มากมาจรนมาที่กายนี่ที่จิตใจนี่ถ้าศึกมันจอนมาจอนมาใจกับรู้ทุกทีรู้ทุกทีรู้จุดตัวทุกครัง้งอย่าไปเมินมองไปทางอื่นหาเหตุหาผลเอาผิดเอาถูก เป็นความหลงในความผิดความผิด ถ, ถือว่าผิดความถูกก็เป็นความถูกความหลงก็ถือว่าความหลงนั่นไม่ไม่ได้ใช่กำลังคนกำลงข้อสีก็เข้ามาถึงตัวก็หลงเป็นหลงก็สืบเข้าถึงตัวเสียแล้วทุกเป็นทุกข้อเสืยเข้าถึงตัวเสียแล้ว สงบกูชอบพุ่งซ้อนไม่ชอบข้าศึกเข้ามาถึงที่เลยแล้วแต่ถ้ากำลังคนดีรู้จุกตัวรู้จุกตัวรู้จุกตัวซะความหลงรู้จุกตัวความผิดก็รู้จุกตัวความถูกรู้จุกตัวความสงบก็รู้จักตัวความพุ่งซ้านก็รู้จักตัวนี่คือกําลังคนทำอย่างนี้ ปฏิบัติอย่างนี้ฝึกขัดอย่างนี้ให้มันจะดวกให้มันแม่นยิงแม่นแม่นเหมือนอาวุธที่ยิงแม่นยิงได้ไกลๆอย่ายิงใกล้อย่างเดียวมาไกลก็ยิงได้มาใกล้ก็ยิงได้แม่นทุกทีแม่นทุกที นี่คือปฏิบัติธรรมมันทำไบ้อย่างนี้ในความหลุงก็ตรงกับความรู้สึกตัวในความทุกข์ก็ตรงกับความไม่ทุกข์ในความแก่ก็ตรงกับความไม่เจก่ในความเจ็บก็ตรงกับความไม่เจ็บในความตายก็ตรงกับความไม่ตายไม่ใช่อยู่ที่อื่นในตัวมันเองถ้าหล่เพลิงขัด จะเป็นปรมัติเป็นอัตโนมัติจิตก็ดูจิตกายก็ดูกายในตัวมันเองถ้าฝึกหัดเป็นแล้วทําให้เหมือนเป็นถ้าทาให้เป็นมันก็อยู่ที่อื่นการทําให้เป็นเนี่ยคือฝึกวิชากรรมฐานวิเชวิเชียนรู้ พวกเราลูกมาแล้วบัดนี้สอนพวกท่านเที่มีความรู้เรื่องนี้แล้สอนให้ท่านีด้มีฝึกเรื่องนี้ให้เพืงขัดวิจาสอนให้ลูกรอมันเกิดอรอยขึ้นลูกสึกตัวเป็นไหมถ้าไม่ลูกฉึกตัวก็ยังทําไม่เป็นถ้าหลงเป็นหลงยังทําไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยนทําไม่เป็นผิดเป็น ผิดก็ทำไม่เป็นถูกเป็นถูกก็ทำไม่เป็นไม่เหมืนสำเร็จได้จริงเราแน้นะถ้าหลงเป็นหลงเราความสําเร็จของข้าศึกก็ชนะแล้วงลงคําลหงผนก็ไม่เข้มแข็งหลงเป็นหลงเราความหลงผนก็ออดเด้อ ไปแค่ทุกครั้งไหลงเป็นลู่หลงเป็นลู่เนี่ยสัมผัสดูดีๆการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมัด ส, สัมผัสให้มันมีรสชาติว่าใช่ถ้าสัมผัสลูรสชาติแล้วไม่มีคำถาม ตอบได้เองความหลงเป็นอย่างเช่นไรความรู้สึกตัวเป็นเช่นไรความโกรธเป็นอย่างไรความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นอย่างไรความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรตอบได้เองตัดสัมผัสกับรถพระธรรมเมื่อสัมผัสกับรถพระธรรมเป็นความรู้สึกตัวเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัว จะได้ลดพฤตธรรมลดพฤตธรรมย่อมชนะลดท่้งปวงได้นื่ อ, อไรดิ่มลดพระธรรมแล้วก็ย่อมสะดวกในการศึกษาปฏิบัติที่สิ่งที่มันเกิดกับการกับใจจะได้เป็นธรรม เมื่อมีความเป็นธรรมเกิดกับนปาก็เกลียดใจแล้วพันก็เกิดอะไรขึ้นกลายตอนรับความเป็นธรรมติดใจมีความเป็นธรรมก็เกิดเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นยาดปัญญายาดขึ้นมาลูก่แจก้งเห็นจริงแต่ขยัน รู้วันหนึ่งก็รู้ไปถึงมากมา ก, มากหลายอยา่างไปกลรู้ทุกข์ก็เห็นเหตุที่เกิดทุกข์รู้ทุกข์ก็รู้แจ้งจริงๆสมบัติจริงๆไม่ต้องมีคำถามแน่นอนที่สุดว่าไม่ถูกต้องที่สุด เราสาวหองเหตุที่มันเกิดลอยขึ้นมามีแต่เหตุนีกับผลน้อยๆไม่มาก่เราก็ฝึงขัดจนชนานาญแล้วเวลาใดที่มันหลงไปหมกมุ่นคุค้นคิดไปทางใจที่มันคิดสวานของจิตใจคือควรคิด ส่นของตาคือลูกที่มันมองเห็นเป็นวิญญาณทางตาหูจะโบกเล่นกาใจมันก็จะได้รูกสิ่งที่มันหลงอัไรอยาเงี้ยได้วมได้ในความหลงก็มีความรูกที่ตรงนั้นเกิดความจำนานขึ้นมาสะดวก อยากให้มันหลงด้วความไม่หลงจากความหลงได้วความงอกงามจากความไม่ดีเสทุกข์เก่งได้เปิดเป็นพุท ธ, ธาได้มีทุกข์เกงเป็นพุท ธ, ธาได้เพราะมันเห็นเหตุที่มันเจริญเหตุมันเกิดปัญญาญานขึ้นมาลู่จากสาเหตุเหมือ น, นพระองค์พพุทธเจ้า ผุกนัดใหม่ๆเกิดยยอนเบื้องต้นเรียบเทียบเหมือนกับไม่ไผ่ที่เช้าน้ำออกมาสีไฟ่ย่อมไม่ได้เกิดไม่ไผ่ที่โผล่ขึ้นจากน้ำยังไม่แห้งสีไฟก็ไม่เกิดไม่ไผ่ที่ขึ้นจากน้ำแล้วแห้งแล้วสีไผย่อมเกิด เปรียบเทียบกับกายกับใ จ, จกับรูปขุมน้ํานี่รูปผ้าคออกมาแล้วออกัวจากเดือนไม่เจียวข้องด้วยเรือนมาแล้วแต่จิตใจยังชุ่มอยู่ด้วยรูปลดกลิ่นเฉียงยังคิดถึงเข็มปลาเราหวนคิดถึงเราซับสินจะดึงดขานคิดถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงประสาทสฤ ด, วดูวันชุ่มเหนือความคิดยังไม่แห้งจิตไม่แห้ง แต่กายพากมาแล้วเป็นกายวิเวกแล้วแต่จิตยังไม่วิเวกยังไปจุมกับความเคยกินที่ไม่ เ, ยเคยได้ฝึกหัดวันนี้ก็เห็นเหตุเช่นนี้ก็พากจิตออกมาคิดที่ไดรู้ที่นั่นเหมือนกับขึ้นน้ำแล้วคิดไปที่ใดก็รู้ที่นั่นคิดถึงประทางไหนรูปไหนแบบไหนรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมารู้ขึ้นมา รู้หลข้างหลายเข้าที่มันผิดมันเป็นความรู้จนแล้วความผิดเป็นเป็นความถูกจนแล้วมันกับมันแห้งมันกับาคมาแห้งแห้งขึ้นมาเมื่อเกิดจากนี้ขึ้นมาก็เห็นช่องเห็นทางฝึกตนสอนตนเพราะมีลายมีจิตมันก็มีการแสดงออกมาจริง ได้เห็นสิ่งที่มันไม่ใช่ความรู้จึกตัวมันไม่ตั้งใจมันเกิดขึ้นมามันจรมาเพราะเหมือนเคยชีวิตที่ใช่ตะเปตะปมันก็เปเื้อนกับสาหลายอย่างคนมีลูกมีแมวก็คิดถึงลูกถึงเมียคนมีอะไรก็คิดแบบคนมีถึงนั่นคนไม่มีอะไรก็คิดแบบคนไม่มีอะไร ก็อยากได้สิ่งที่ไม่มีสิ่งที่มีก็อยากได้มากขึ้นจิตวิญชั่วเนี่ยนั่งกับภาคบ่าวภาบ่ า, า, า, บาเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างนี้ก็ได้หลักกันเี้เมื่อได้หลักก่อนหมูกระเทินธรรมชาติปดธรรมชาติให้ความหลงเป็นความรู้เกิดเลยตรงนี้ <c oughs> เป็นการละความชั่วเป็นการทําความดีเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์มันเป็นอย่างนี้ไหนการผิดเป็นถูกอะไรเป็นรูปเป็นรูปนี่มันละความชั่วมันทําความดีถ้ามีศีลก็ศีลเกิดขึ้นแบบนี้มีสมาธิก็เกิดแบบนี้ปัญญาเกิดแบบนี้ไม่ใช่ไปท่องไปจํา ก็ปลูกอย่างนี้ทําอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้ความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงคือความรู้สึกตัวเป็นธรรมอย่างนี้และความชื่อแบบนี้ทําความดีแบบนี้จิตก็บริสุทธิ์แบบนี้มันก็เหมือนกับไม้ไผ่ที่มันแห้งแล้วก็ย่อมสีไฟได้เกิดขึ้นได้เกิดเป็นศีลเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญา ศีลกําจัดกิเลสอย่างหยาบๆได้ช่วยได้ศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยสะดวกมากขึ้นเกิดความสะดวกมากขึ้นเป็นผลผลังกําลังผลเมื่อปราบข่าศึกมันก็สะดวกเมื่อได้รับความสะดวกก็มีอิจฉะ และความวิสุลาความเันธรรมเกิดขึ้นตีกาที่จิตของเรานี้ต่อไปก็ยานที่สองเกิดขึ้นบทเพลงนี้ว่าสารนุจติยานเราลึกถึงต่างเก่าพ้นภาวะเก่าแต่เก่าอยู่ตรงนัน้บนบัดนี้อยู่ตรงนี้จบับ่อาห ความหลงควา ม, ม, มคิดความฉุกความทุกครอบมันไม่ได้มันเปืเป้อ น, นหลงนิดหน่อยไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนเก่าแล้ววิปัจนาญเกิดขึ้นได้ผู้ปฏิบัติทำ ม, มันเป็นแบบแบบนี้ไม่ใช่ไปคิดหามันเป็นไปนเองต่างเก่าพ้นภาะวะเดิมแต่ก่อนอยู่ที่นั่นแบบนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ จะให้เปเื่อนเหมือนเมื่อก่อนขนหัวลูกแม้แต่คิดก็ขนหัวลูกไม่ได้ตั้งใจกระตือเรือล้นหยอกปล่อยทิย้งมาได้ปล่อยความหลงที่ไวในรูปในนามไม่ได้เพราะรูปนามบริสุทธิ์แล้วเหมือนคนใส่เชื่อผาา้าจัดเปื่อนนิดเดียวไม่ยอมให้ติดอยู่ในผ้าที่เชื่อผ้าที่จะอาด ขวดขวดหางซักได้จิต ท, ที่เคยบริสุทธิ์ลูกน้ําที่เคยบริสุทธิ์เมื่อมันเกิดอะไขึ้นมาย่อมรูดได้เหมือนน้ํานิ่งน้ํานิ่งอะไรมาถูกน้ําก็เพิ่มขึ้นเข้ารูดน้ำมันไม่กระเพื่มมันนิ่งอยู่แล้วาการกระเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้ำํำมีเหตุปัจจัยกระรูดสลอดหมอกขึ้น กูเป็นในวา่าสารนิสัยจิยานอยู่ตัวปัจจัยานรูที่ตั้งรูที่ตั้งตั้งอยู่ที่นี่รูที่ตั้งไว้รูที่ตั้งไว้ตั้งไว้แล้วนานตั้งไว้ตรงนี้รูที่ตั้งไว้ไม่ไปไหนไม่เป็นไปกับอะไรไม่เป็นไปกับอะไร สำหลงก็เป็นความรู้อะไรไม่เป็นไปกับสิ่งที่บันเกิดขึ้นกับรูกกับน้ำตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่นี่ถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิในฌานในยานข้าปราบับข้าศึกข้าศึกมาเทอะไรก็มั่นคงมั่นคงสำหลองสมาธิก็ช่วยดูนี่ที่ตั้ง อะะ๋อสวัสย่อนทําไม่จริงที่มีหมดไปทําไม่จริงที่ไม่มีเกิดขึ้นมาบางอย่างก็ไม่ได้ทำกับมันเลยมันหมดไปเองเช่นความโกรธความโลภความหลงเปนไปไม่ได้ไม่ได้ไปอดไปทนกับมันเมื่อทำถูกต้องมันหมดไปเองเมื่อหลงปูเทียนบอกว่าปลีงเว้น กัดกินเลือดมันมีสองปากเด้งปากเด้งออ ก, กมันติดปากดึงเด้งบากเด้งมันติดปากเด้งถ้าทําไม่ถูมก็มเป็นเช็ดลั่นหลวงพ่เทียนบอกว่าเขาอยาะฉุนจุ่มน้ําบีบน้ํายาะฉุนหรือปูนใส่ลงไปตรงปากเิ่งที่มันดูดเลือด มันก็หลุดไปเองอ น, นั่นเป็นกรรมวิธีที่ไม่ต้องดึงและต้องไปจับมันสมมติมันหยาดพูดแต่ว่าการทําให้สิ่งที่ไม่ดีหลุดออกไปนี่มันทําเรื่องนี้แต่สิ่งนั่นมันหลุดออกไปเมื่อหมดไปสิึงนี้มีสึงนี้จึงนั่นก็ไม่มีถ้าจิงนี้สึงนั่นมีสึ่งนี้ก็ไม่มี มีเหตุมีปจัจจัยโตเนื่องกันอย่างนี้ก็รู้จับจับหลักจับหลังได้ดีเดบคิดทางได้ดีก็ทำให้สิ่งที่มันเคยมีหมดไปสิ่งที่ไม่มีเกิดขึ้นมาสมผัสกับวความเพศความจริงถ้าเราพึงหัดมันเป็นไปมันทำให้มันเป็นไปไม่ใช่ระคิด เอาเหตุเอาขนหาคำตอบจากเหตุจากผลต่างเก่าพ้นภาวะเดิมไปเรื่อยๆสิ่งกาจัดความชั่วสมัยที่กําจัดความชั่วปัญญากําจัดความชั่วเปิดวิธีปฏิบัติตำเนินนั้นถูกต้องถูกไปหมดคิดถูกผู้ถูกท้อมถูกต้องจอยถูก ถูกชอบไปหมดเป็นวิถีปฏิบัติได้พบความเท็จ ค, ความจริงสรุปลงมาเห็นรูปเป็นนามตามความเป็นจริงถูกทำนามทำโลกโลกนามโล ก, ก, กรูปทุหนองทุบแต่ฉันในรูปในนามใบปัญญาเกิดจากรูปเกิดจากนามนี่มีอะไรเป็นอะไรไมันเป็นอย่างไรรูปนามมันบอก ความไม่เที่ยงเป็นไงความเป็นทุกข์เป็นไงความไม่ใช่ตัวตนเป็นอย่างไรรูปนามมันบอกหัวรูปนามมันบอกสารภาพเหมือนกับสารภาพนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนความไม่เที่ยงใจเหมืเที่ยงได้อย่างไรความเป็นทุกข์ใจไปเป็นกระเทียมุกอย่างไยความไม่ใช่ตัวตนใจเป็นตัวเป็นตนอย่างไร ว่เห็นวมาใเที่ยงของรูปของน้มแล้วรู้สึกว่ามันกระโดดได้ไกลนะเ้าจะพูดแบบสัมผัสปฏิบัติกับบรรยากาศที่มันสัมผัสได้อะรูปนี่มันเห็นแย่งอย่างนี้มันกระโดดเหมือนกับไปได้ไกลน้ำหนัก1้0ยกิโลโหรือประมาณสักี่ิบกิโลท่าน ความวามรู้จึกลุดปล่อยอะไรก็หลุดไปมากมายความยืดมั่นถืงเง่นว่าตัวว่าตนอาการที่เกิดขึ้นกับลูกผู้นมหมดไปเลยไม่มีตัวมีตนในอาการนันลูกจะอาการลูกมันก็มีอาการใช่ไหม ความร้อนความหนาวความหิวความปวดความเมื่อยน้นเป็นอาการของรูปไม่ต้องเรียกมันบาเวทนาความฉุกุนทุกไม่ต้องเรียกวุ่นดกความฉุกทุกนี่เป็นบัญญัติโดยเฉยแต่พูดถึงปรัมม์ลันเป็นอาการอาการของรูปอาการของหนาวความกวดเป็นอาการของหนาวมาดมความทุกเป็นอาการของหนามมาดมความคิดเป็นอาการของหนาวมาดมจิ๊บจ้อยนิดเตียว แล้วก่มันใหญ่มันรากเราไปได้มันมีรสชาติจริงจรมันปวดก็ปวดมันเจ็บก็เจ็บจริงๆมันหิวก็หิวจริงๆหมดให้ความปดวดความปดวมปดแล้วก็ถูกสอนสองดอกรูปเป็นทุกน้มเป็นทุกน้อมเป็นทุกทุกเป็นทุกเพราม่เห็นแจ้งเรื่องความเท็จความจริงที่เป็นธรรมชาต ของรูปของนามรูปทำนามทำรูปทุกนามทุกรูปโลกนามโลกรูปสมมุตินามสมมุติบัญญัติวัตถุอาการต่างๆไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ท่องจําหมืนบอกความมันจะอย่างไรก็ต่างเก่า ควาหลุดพ้นย่อมมีอย่างนี้ไม่ใช่ไมาใช่มันไม่มีอเนกสงปฏิบัติธรรมยิ่งเราเป็นนักบวดเนี่ยก็ทําไว้ไหนสนับสนุนจิตวัดวิธีวัดสนับสนุนให้เราได้ไม่ทอถอยเราก็ฉันอาหารผมจีวรอยู่เฉยน่าชนะ ขีนาะเพจาตของคนที่ขาบำรุงอุปถัมภ์เราเนี่ยยิ่งไม่ประมาทเวลาเราไปบินทบาทเขาออกกอนข้าวใส่บาทเนี่ยมันเจ็บใจมันไม่ทอถอยเขายกมือท่วมหัวผมผ้ากาศพัดมีจิตวัดวิธีวัดมีธรรมวินยัย มีวิธีปฏิบัติต่อการ่อนใจแต่ว่าปฏิบัติมันก็ยิ่งดีเป็นคลิมเป็นแบบเป็นเช่นได้ร้อยให้เป็นระเบียบแม้พวกเราเป็นลูกต่างพ่อต่างแม่หรือว่าใคนก็ตามต่างนิชัยใจคอมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อหมาศึกษาเรื่องความเท็จความจริงที่เกิดอยู่กับรูปนามมันมีรูปมีนามเหมือนกันหมด ปฏิบัติต่อรูปผิดก็ผิดเหมือนกันหมดปฏิบัติต่อถูกก็ถูกเหมือนกันหมดก็รูปนี่นามนี่เลยรับความเป็นธรรมก็มีความเป็นธรรมต่อจริงที่ไม่ใช่รูปแค่นามอยู่ตรงนี้ไปอีกมากมายถ้าปฏิบัติต่อรูปไว้ถูกต้องเป็นทุกข์เป็นโทษก็มีทุกข์เป็นโทษต่อจริงอยู่วัตถุอื่นไปอีกก็จึง ธรรมวินัยนี่ปฏิบัติตามธรรมวินัยเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันยองหลงไม่เป็นธรรมยอมไม่หลงเป็นธรรมรู้จริงๆรู้เรื่องนี้โดยสัมผัสแล้วตอบได้เองไม่ต้องถามใครยอมทุกข์ไม่เป็นธรรมยอมไม่ทุกข์เป็นธรรมนี่คือธรรมวินัย คนที่ไม่ถูกเราไม่เป็นธรรมสมเป็นธรรมอะไมันใช่ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมอยู่เสมอโดยวิธีปฏิบัติตามวิชากรรมาฐานนี่ศักดิ์สิทธิ์มากรรมได้ผลมากถ้าเหมือนที่ได้พูดแล้วว่าตั้งกำลังคลไว้ให้ดีเพื่อให้เกิดความพรม้ม เราพึงหัดเพื่อกำลังคนตั้งไว้รู้อยู่เป็นเจ้าถิน่นสติเป็นเจ้าถิน่นตั้งไว้แล้วเอะไรที่จรอมารู้จักตัวรู้จักตัวนี่มีสิทธิช่อยสิทธิเป็นธรรมล เ, รเวลามันหลงมีสิทธิไม่หลงเวลามันโกรธมีสิทธิไม่โกรธ ามีเราบรรทุกมีสิทธิไม่ทุกนี่สิทธิเป็นธรรมอย่างนี้ทำไมปล่อยให้ตัวเองเป็นรับใช้บางทีมันง่วงมีสิทธิไม่ง่วงแตกฉานใชหน่อยเวลาปฏิบัติแปรไปทำแบบหลักสูตรตายตัวฉลาดเองเทคนิคของ ตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ช่นความ่วมงจะมายกมือสร้างจะหว่ามันก็ช่วไม่ได้วิธีอื่นมีเยอะๆวามชิดหัวเนี่ยจะไปให้สู่ความชิดโดยดึงกลับไปดึงกลับมาไม่ได้ไม่ได้ตั้งท่าใหม่ตั้งท่าใหม่ วิธีที่มันชัดเจนมันมีอยู่ถ้ามันไม่ชัดเจนงมหัวเปล่าๆเช่นการสร้างจังหวะนั้นนานอาจจะพลาดได้ตั้งโต้นใหม่อยู่เรื่อยโดยเปลี่ยนท่าใหม่อยู่เรื่อยวางกายใหม่เรื่อยวางกิตใจเหม่ยเรื่อยวางลุ้สวมรู้สตัวใหม่อยู่เรื่อ ย, อ, อ, ย, ปป อ, ย, อ, ยอย่าแปลว่าท่าเดียวนาน กลไปถ้าเดียวนานจนเกิดออนล้ามันก็ไม่เข้มแข็งตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่อยู่เลยมันจึงเข้มแข็งมีพลังง่ายนิดเดี๋ยวสู่ควา ม, มง่วงสู่ความคิดเกี่ยวกับความคิดความง่วงที่มันเกิดขึ้นมาความอ่อนแล้วที่ใดจะมีความเข้มแข็งอยู่ที่นั่นถ้าทำถูก ก็ทําทให้ถูกความบ่นได้ก็ทําให้เกิดความบ่นได้ความหลงก็เป็นความหลงหลงที่ความหลงหลงที่ความหลงเหมือนบ้านจ้างจุดใดมอนอ่อนก็ลงที่ตรงนั้นหลังคาอ่อนตรงไหนน้ําำก็ไหลลงตรงนั้นเราก็รู้จุดอ่อนของหลงอยู่ที่ไหนเวลาเราฝึกขันเราจะรู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นสอนเราเรียนรู้จากธรรมชาติ โดยพราะความรู้จักตัวเนี่ยเป็นครูของลูกของหนามไม่ใช่ใครเป็นแม่ครูของลูกของนามได้คือความรู้จักตัวเท่านั้นคนอื่นสอนไม่ได้ความรู้จักตัวต้องประกอบตัวเองในคราวเดียวกันมาพร้อมกันพร้อมหลงมา ก, มกับพร้อมกับพร้อมกับความไม่หลงอ น, นี่ต้องเป็นสวนตัวของใครของมัน ฝึกเองสอนเองเตือนตนเองแก้ไขตัวเองนี่เราจึงฝึกหัดเพื่อให้เกิดความพร้อมวิชากรรมฐานเพื่อเกิดความพร้อมเมื่อมาเกิดความพร้อมก็าชายก่ยไปเรื่อยๆนอกรูปแบบก็ได้ช่วยโอกาสกรรมฐานเชื่อมคือช่วยโอกาสให้รู้จักตัวอยู่เสมอ มันจิกจะเข้มได้มันทําไมลู่จิกตัวได้ทุกลูกทุกแบบการเดินการเดินการนั่งการนอนกันอาบน้ำการแปรงฟันให้รู้จิกตัวช่วยโอกาสเบ า, บาๆไปลู่นิ่มๆไปรูปแบบไม่จ้องไม่เพ่งไม่เด้งรูปแบบเบาๆรูปแบบกลมๆลูปแบบเบาๆลู่จิกตัวไป อบน้ำเช็ดเอาผ้าเช็ดตัวลูบเบามือลูบตัวลูบเบาลูบไปลูบไปสนุกสนุกไปกับความลูบจุกตัวเพราะถ้าเพิ่มแต่กับความลูบจุกตัวความลูบสุกตัวจะติดอยู่ที่ลูบที่นามถ้าไม่เชืม่มถ้าไม่ช่วโอกาสถ้าไม่ทําให้ติดมันก็จะมีเป็นโปกาสไม่ได้ mm hmm. เวลาลงกําหนดสอชั่วโมง หลังสองชั่วโมงก็ออกจากกรรมฐานก็ปล่อยไปแต่พิธอแตเพื่อเลื่อนไปฝึกอยู่ที่นิวยอร์กเราก็กำหนดราวละสามชั่วโมงพอถึงสชั่วโมงเราก็กดกระดิ่งนักปฏิบัติก็วกบากลงสังเกตดูลืมไปจนแล้ววางคนก็ เหยียดขาซอยขาบางคนนอนลงไปก็เฉดแรงว่ามันมีสตดดิก็ไม่ได้เก็บตกเอาแต่ในรูปแบบนอกรูปแบบไม่เอามัน <c oughs> ก็ไม่เพียงพอมันหลงทุกข์ชั่วโองชุกวินาทีก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักตัวหัด <c oughs> หัดเก็บตกหัดํำดับ หัดใช้สติสติมันจะถูกต้องยิ่มแย่มแจ่จใจถ้ามีสติจะไม่จะไม่ทุกข์รีดลุกขลนไม่ป่อยปลาแล้วเลยคามีสติจะจะรู้สึกว่ามีความพ้มทุ ก, ท, ก, ท, กทุกแบบการได้ยินทางหูการได้เห็นทงางตาการได้สัมผัสการคิดขึ้นมาการ เดินการเคลื่อนไหวตรงไหนจะได้มีความรู้จึกตัวถ้ามันเป็นแล้วก็ไม่ต้องฝึกมันเป็นไปแล้วสอยที่ใดก็รู้ที่ น, นั่นมันอยู่ที่กายที่ใจที่รูปที่นามนี่ฝึกให้มันเปลี่ยนทำนิ่มๆทำเด่นๆลงยิ้มไว้เสมอไว้เช่นหน้าดาความเครียดกอน ฝึกตนสอนตอนพอทําทแบบรุนแรงเกินไปมันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนสอนหัวสอนหวยสอนมาใช้งานไม่แต่ขนาดไม่แต่เขียนแต่ตีมันไม่รู้เรื่องว่าจะให้ทาําอะไรก็ทิ้งทิ้งงานทิ้งงานไม่เอางานเลยเช่นไหนสอนหัวเทียมเกวียน แต่ตีแต่เคียนเวลามันลงโคลตีมันมันก็ดันอยู่แล้วจ้ะวันที่ขับมันก็ตีเอาเพราะทั้งทั้งที่ดันอยู่ก็เหนือกอยู่แล้วตีมันก็เจ็บว่าจะให้ทํำยังไงมันก็ทิ้งไปเลยไม่เอาเลยปุดงานหนีไปเลยวันทีก็นอนเลยใคอยบอกคอสอนไว้ต้องเคี่ยนต้องตีมัน ลูกเบาๆขึ้นเมื่อไม่นานมานี้พวกเราพาหลวงตาไปพูดฐานชีมาขึ้นเขาหมาตัวหลวงพ่อนั่งออกก่อนงูมันไม่อยากไป <c oughs> มันออกก่อนงูขึ้นเขามันไม่อยากไปก็มือลูกนับ ลูกตัวมันบอกบอกมือเตะไปไปไปไปเอาขาขะนับมันหน่อหน่อยมันก็ไปไปไม่ใช่เขี้ยนตีมันไปมันก็ไปมือตบไหลมันน่อยหน่อยมันก็ไปไปเจ้ามันเยอะก็มือตบไหลหน่อยมันก็ไปมันขึ้นชั้นก็มือตบไหลลูกให้มันเคลียร์มันก็าปไปมันก็โดดขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นเลยเขี้ยนแต่ตีมันก็เจ็บมันไม่รู้เรื่องคนเราก็เหมือนกัน นักก็ต้องยิ้มชู้หัวลอ้อความง่วงหัวลอ้อความโกรธลองดูสิจะเกิดอะไรขึ้นมาความโกรธที่ได้เป็นความโกรธความง่วงก็เป็นความง่วงมันจะยากไปชู้วความง่วงเกิดความเทียดคิดทุ่งซ่านหมูเนี่ยมันน่าสนุกนะมันสนุกถ้าทำถูกมันสนุก สนกหัวเลาะตัวเองยิ่งเครามโกรธแค่นี้ก็โกรธเลยจะรู้จึกว่าหัวเลาะตัวเองได้ในความที่มันไม่น่าจะหัวเลาะยิ้มในใจได้เห็นความผิดมันยิ้มยิ้มนะถ้ามีจิได้เห็นความทุกข์มันยิ้มยิ้มเมันจะได้รู้มันจะได้รู้ลดชาติของมันนี่หรือนี่หรือนี่ นี่นี่นี่อย่างนี้นะปฏิบัติมันจริงจะเชืได้ไม่ใช่ผู้งัดอยู่ตลอดเวลาแต่มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นทีแรกก็ยกมือเคลื่อนไหวก็มาดึงเหมือนกับดึงก็มาเราไปทำใ้ใจเฉยๆก็ได้รู้เฉยๆก็ได้นี่เราพูดให้ฟังเพื่อให้เป็นนะส่วนประกอบการปฏิบัติ สมกวรใจเวลาอบประพ่อร uh, ์รมกัน